บทที่15นับถอยหลังมาวันทาพอจะรู้จักที่ทางแถวหัวหินอยู่บ้างจึงเลือกโรงแรมตามความประสงค์ของลานดาวได้เร็วคือขับตรงดิ่งไปถึงโดยไม่ต้องเสียเวลาเลือกหาก่อนทิวทัศน์เวงวังไพศารของอ่าวไทยปรากฏอยู่เบื้องล่างขอบฟ้าคลามกว้างเสียจนแม่เซียวแห่งเส้นรอบวงของโลกใบหยักนี้ก็เกินกว่าที่สายตามนุษย์จะเห็นครอบคลุมทั่วในการเล็งแลคราวเดียวความโล่งลิบของห้วงฟ้าและผืนน้ำเก่ออารมณ์และเลี้วล่องล้าลึก แก่ผู้ทอดทัศนาเสมอเสมือนเป็นทางลัด ท, ที่ธรรมชาติมอบไว้ยนเพื่อคลี่จิตให้เปิดแผ่ออกกว้างคลายความอึดอัดสับสนด้วยความดื่มด่าจากอิสรภาพไร้ขอบเขตบรรยากาศห้องพักเปิดโลง่งเงียบสงบปเป็นส่วนตัวล่างลงไปที่มองเห็นขนานกับโรงแรมคือแนวหาดทรายขาวยาวเหียดแผ่รับแดดอุ่นจากดวงอาทิตย์จัดเป็นมุมมองบรรเจิดยิ่งของหัวหินแห่งหนึ่งมาวันทาภาวนาให้บรรยากาศสุดวิเศษ มีส่วนช่วยการเจรจาปัญหาหัวใจได้ลงเอ่ยด้วยดีเถิดเพราะหล่อนรู้ชัดหลังจากลงจากรถแล้วว่าลานดาวเจตนามาเพียงเที่ยวเดียวไม่กลับจริงๆดูจากการไม่เอาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วยแม้สักชิ้นจะมีก็แค่กระเป๋าสตางค์ใบย่อมซึ่งบรรจุเงินสดกับบัตรเครดิตเท่านั้นแพทสาวต่อโทรศัพท์ถึงสามีขณะลานดาวอาบน้ําหล่อนบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีกับทั้งฝากข้อความถึงที่บ้านแม่ตัวดีด้วย ว่าขออย่าได้เป็นห่วงหล่อนจะพยายามนําเด็กเอาแต่ใจกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดลานดาวเดินออกจากห้องน้ําปล่อยผมเปียกชื้นสยายยาวอยู่ในชุดเดิมข่างเชิดเล็กน้อยเมื่อผ่านหน้ามาวันทาเลื่อนประตูกระจกก้าวออกไปลงนั่งเอกเคนกบนเก้าอี้ผ้าใบหน้ามุกจ้ากินอะไรกันดีมาวันทาตามออกมายื่นหน้ายิ้มถามความจริงหล่อนถามตั้งแต่ก่อนลานดาวเข้าห้องน้ําตว่าได้รับคําตอบเป็นความเงียบ ซึ่งแพทย์สาวก็ไม่อยากเศาซีให้รำคาญใจกันรอกระทั่งอาบน้ำเสร็จจึงตามมาขอคำตอบอีกครั้งไม่กินค่ะเชิญพี่เอิญเถอะผู้พี่ได้ยินแล้วแทบหมดแรงเพราะทีแรกเข้าใจว่าผู้น้องยอมอ่อนข้อลงบ้างแล้วจะหนะ้าอย่าทำเป็นเด็กๆซีลันดาวเลิกคิ้วสูงพูดโตตอบทั้งมองออกทะเลไม่เหลียวมาเด็กๆไม่รู้เรื่องหลักการบริโภคอย่างจา้หรอกพี่เอิญอดนาดีเพื่อสุขภาพ เรากินเข้าไปแต่ละคำเอาพิษเข้าร่างทั้งนั้นผักท้องให้ร่างกายมีเวลาขับพิษเสียบ้างอย่างที่เขาเรียกอดอาหารล้างพิษนะ่ะเคยได้ยินไหมต้องเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนถึงจะเข้าใจนะเรื่องนี้เข้าใจอะไรไปเชื่อใครเขาเชื่อตัวเองนี่แหละจะทดลองก็ได้ผลอย่างเขาว่าตกเย็นวันแรกอาจหิวมากทั้งปวดหัวทั้งแสบท้องทั้งเนื้อตัวหนักอึ้งแต่พอรุ่งขึ้นวันที่สองและวันต่อๆมาทุกอย่างก็เบาลงเป็นปลิดทิ้ง ร่างกายดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้หายใจโล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าไม่ตีโพลตีภายถุกร้อนด้วยอุปทานว่าอดข้าวหลายวันต้องแย่แน่ทําใจสบายสบายกับมันก็อาจมีความสุขกว่าปกติอีกพี่เอินลองดูสิเรายังสาวสาวกันอยู่ไม่เป็นลมเป็นแล้งหรอกอันที่จริงมาวันทาเคยศึกษาแนวคิดอดอาหารล้างพิษมาบ้างแต่ว่าด้วยความเป็นแพทย์ทําให้ไม่เชื่อถึงผลดีด้านเดียวง่ายนักแค่รับทราบว่ามีการบันทึกสถิติที่น่าเชื่อถือในระดับกว้าง บอกว่าการอดอาหารอย่างถูกต้องสามารถรักษาหรือทําให้โรคหลายๆชนิดทุเลาลงได้จริงนับแต่ภูมิแพ้ไปจนกระทั่งมะเร็งเพราะเมื่อขาดพิษหล่อเลี้ยงโรคสักวันสองวันเป็นระยะระยะจะเปิดโอกาสให้ร่างกายชําระล้างขับสารพิษทั้งหลายได้เองตามกลไกธรรมชาติในที่สุดตัวโรคย่อมฟอลงเป็นธรรมดาแต่เห็นได้ชัดว่าเจตนาของลานดาวเป็นไปอีกอย่างหนึ่งหล่อนไม่ได้เข้าแผนอดอาหารล้างพิษแต่เป็นแผนอดอาหารล้างชีวิต ถ้าอดอย่างถูกต้องก็น่าจะผ่องใสไม่ใช่หรือทาไมเธอดูซมนักล่ะมองด้วยตาเปล่ารู้สึกเลยว่าเหมือนยายแก่อมโรคแกล้งกระทุงไปทางนั้นผู้หญิงห่วงสวยห่วงงามอย่างลานดาวน่าจะสะดุ้งสะเทือนบ้างแต่ก็หาได้เป็นเช่นที่คิดไม่ช่างมันเธอคะ่ะไม่รู้จะสวยไวลอดตาใครแล้วทาตัวสวยๆหอมๆแล้วโดนไล่ลองทำตัวโสมๆดูเผื่อจะได้รับการเหลียวแลมั่งจ้า วันทาขานเรียกน้องสาวเสียงระโหยพี่ก็อยู่นี่แล้วจ๊ะยังต้องการอะไรอีกถ้ายืนอยู่นี่แต่ขาดใบหยากก็ไม่มีความหมายลันดาวตอบเสียงเย็นชาแพทย์หญิงเอ็นกายพิงขอบประตูทำหน้าเหมือนอยากพุ่งเหลาลงจากระเบียงเดียวนั้นโถเอ้ยเธอพูดจาเหมือนเด็กไม่รู้ภาษาจริงๆเลยจ๊ะจะบ้าหรือไงให้พี่หยากกับพี่อ๋องแล้วบอกใครต่อใครว่าทําไปเพื่อมาอยู่กับเธองั้นหรือใช่ ตอบหน้าตาเฉยซุ้มเสียงจริงจังหนักแน่นจนนาวันทารู้สึกคล้ายถูกยั่วให้เป็นโรคประสาทต้องเข้นเสียงถามด้วยความขับแคนเสียดแน่นความรักของเธอทําไมมันดํามืดอย่างนี้หรออุเม่ลันดาวเลิกคิ้วอุทานเสียงสูงโดยปราศจากวิแวลร้อนอาดเสียภาพพจน์เลยเราคล้ายกลายเป็นใหญ่เตี้ยล่าดำําปีไม่มีน้ําใจใครๆก็รู้กันทั่วว่าหัวใจจั๊กขาวสะอาดขนาดนมเด็กเรียกพี่ คนถูกยวนกำลังรันทดจึงไม่อาจร่วมอารมณ์ตลกไปกับจอมยั่วจ้าที่เสียใจเหลือเกินที่รักเธอโดยที่เธอไม่ได้รักไม่ได้สงสารไม่ได้เห็นใจว่าพี่ต้องถูกแทบตายดับอย่างไรอย่างกับตัวเองเห็นใจเขานักนี่ความรักของตัวเองสว่างโร่นักหรือขับไล่ใส่ส่งไม่ดูดำดูดีจะบอกให้ว่าคืนนั้นจ้าเกือบตัดสินใจขับรถพุ่งใส่สิบล้อแล้วจะให้ขอโทษกี่ครั้งเธอถึงจะพอใจพูดผิดครั้งเดียวไม่ให้อภัยกันเลยหรือ ลานดาวระบายยิ้มเย็นแต่หากสังเกตแววตาจะเห็นความน้อยใจฉายอยู่ไม่จางคําบางคําที่เผยความนในใจออกมาอาจเป็นได้มากกว่าการพูดผิดหรือพูดถูกนะคะพี่เอิญใครเอามีดแทงจ๊ะจะยังให้พี่เอิญรักษาได้แต่ถ้าพี่เอิญพูดเสียดแทงให้จ๊ะเจ็บไปถึงขั้วหัวใจเสียเองจ๊ะจะเอาหมอที่ไหนมารักษาก็ตัวพี่เองไงจะชดใช้ด้วยการทําดีกับเธอตลอดไปยังไม่พออีกหรือทําดีกับจ๊ะทำยังไง อยากได้อะไรเว้นใบอยากกับเรื่องบนเตียงพี่ยอมทุกอย่างแค่ทําดีก็ต้องมียกเว้นลำบากนักก็อย่าทําดีมันเลยพี่เอิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เว้นไว้คือทั้งหมดที่จะต้องการทําดีกับเธอแบบที่ต้องเร็วกับคนอื่นอาจไม่ถึงบาปเว้นและความเดือดร้อนที่ต้องร่วมกันรับผลภายหลังเธออยากให้เราตกอยู่ในสภาพจับคู่อยู่ด้วยกันแบบอีหลังอีเหลือไปจนช่วชีวิตนักหรือไง เธอนารับรองว่าถ้าพี่เอินยอมจะไม่ยอมให้พี่เอินอีหลักอีเหลือเหมือนเล่นอีหลักถัดทาตามกลองหรอกเราหนีไปอยู่เมืองนอกในที่ที่ไม่มีคนไทยไม่มีใครรู้จักเราก็ได้แพทสาวโครงศีระเธอพูดออกมาแต่ละคาเห็นชีวิตเป็นเรื่องง่ายไปหมดโลกนี้ไม่ได้มีแต่วังกับตะเกียงวิเศษไปทุกแห่งหรอกนะแล้วจ้าเคยเจอตะเกียงวิเศษเหรอหาแฟนกี่ปีก็ไม่เจอที่ถูกใจรอจนเหงือแห้ง พอเจอถูกใจก็ดันเป็นผู้หญิงแถมมีพันธะอีกต่างหากแต่เจอแล้วก็เอาคนนี้แหละจะไม่มีทางรักใครได้อีกแล้วอะไรจะเป็นประกันว่าถ้าพี่อยากเพื่อเธอวันนี้อีกปีหนึ่งข้างหน้าเธอจะไม่ทิ้งพี่ไปอยู่กับผู้ชายเธอรู้จักตัวเองดีพอแค่ไหนมั่นใจว่าจะเป็นหญิงรักหญิงตลอดไปแน่หรือถ้าเกิดพี่เสี่ยงตัวเองยอมอยู่กับเธอวันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาประกาศทิ้งคว้างกันหัวเด็ดตินขาดก็จะเอาอย่างใจในวันนั้นแล้วพี่จะเหลืออะไร ไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องมาพูดกันเธอนะมาวันทากลั้นใจประโลมทั้งฝืดฝืนเต็มทีคบกันอย่างที่เคยอยู่กันดีๆไม่ได้หรอลานดาวเม้มปากเป็นครู่ก่อนเออยบอกตามตรงถ้าคืนนั้นพี่เอินไม่ไล่จ้ะก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกต่อให้ถูกพี่เอินตบตีหรือด่าทอจนอายไปสาบ้านเจ็ดบ้านอย่างมากคงโกรธกันเดี๋ยวเดียวจ้าขอมีความสุขแค่ที่เป็นอยู่นั่นแหละแต่พี่เอินเล่นลั่นปากออกมาแล้วว่าในที่สุดจะไม่เลือกจ้าไม่เห็นหัวจ้า จาก็เอาอย่างนี้แหละปรีตามองสุดขอบฟ้าเบื้องไกลด้วยประกายเข้มอายุที่เหลือของพี่เอิญจะได้ทบทวนว่าทิ้งใครไปจากชีวิตอย่างไม่มีวันเรียกคืนมาวันทาหายใจไม่ทั่วท้องเพราะรู้ว่าสาเหตุหนึ่งของการฆ่าตัวตายมาจากอารมณ์ชนิดนี้จริงๆแค่ต้องการให้คนรักรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตจ้าทอดเสียงขานชื่ออีกฝ่ายอย่างอ่อนหวานขณะใจเริ่มสั่นระทึกด้วยอารมณ์หวาดกลัวการสูญเสียส่องกระจกดูตัวเองแล้วถามเงาเธอว่า ค่าของเธอมีมากที่สุดแค่สังเวยผิดรักเท่านี้หรือล้านดาวยิ้มยันเคยแล้วพี่เอินก่อนขับรถออกจากบ้านนี่แหละมองสารรูปตัวเองในกระจกแล้วเข้าใจชีวิตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจะไม่เคยเห็นตัวเองอยู่ในสภาพเสื่อมทรมขนาดนั้นเกือบเจ็ดวันอาบน้ําแก้รําคาญไปหนเดียวความภูมิใจในรูปโฉมไม่รู้หายไปไหนหมดเกิดมาเพิ่งรู้จริงๆว่าความสวยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยน้ํากับสบู่และใจพองใสเป็นสิ่งที่ต้องหล่อเลี้ยงไว้ด้วยความสมหวัง ชานี้จะมีแต่ร่างโสกปลกกับวิญญาณที่มือสนิทคิดถึงพี่เอิญอยากเห็นหน้าพี่เอิญแล้วก็ผิดหวังเสียใจไม่เลิกกับคําไล่ของพี่เอิญเลยนึกอยากพูดกับเงากระจกเป็นครั้งแรกด้วยคําถามสั้นๆว่ารู้แล้วใช่ไหมความรักเป็นยังไงมาวันทาฝืนกล้ากลืนก้อนขมลงคอคําตอบไม่มาจากเงาลวงตาในกระจกหรอกจ้าทาไมจะไม่ใช่ลันดาวสวนทันควันจ้าเห็นเงาตัวเองยิ้มสวยที่สุดในวันที่พี่เอิญบอกว่ารักจ้า แล้วก็เห็นเงาตัวเองดํามืดที่สุดในวันที่พี่เอิญทิ้งขว้างพี่เอินเก็บไว้คิดอนาจใจในตัวจ้าและภูมิใจในตัวพี่เอิญเองตลอดไปเธอะค่ะยอมรับว่าค่าของชีวิตจ้าฝากไว้กับพี่เอิญคนเดียวทั้งชีวิตเธออยากรู้จักแค่ความรักแต่อาจจะยังไม่รู้จักมันเลยสักนิดทําไมเธอไม่เห็นอย่างที่พี่เห็นความเอาแต่ได้อย่างนี้หรือที่เรียกว่ารักท้องเธอแห้งไม่ใช่แค่ตัวเองหิวแต่พลอยทําให้พี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำให้อกพ่อแม่เธอร้อนเป็นไฟใครต่อใครต้องทุกข์กันทั่วหน้าเพราะเธอคนเดียวเธอรู้จักรักคนอื่นพอจะห่วงใยใครเป็นบ้างหรือยังวาจาของพี่สาวคลายเป็นแสงอ่อนๆที่สว่างพอจะวาดขึ้นท่ามกลางความมืดในดวงจิตของเด็กเห็นแก่ตัวอย่างน้อยก็ส่งผลให้สะอึกอึง้งนิ่งเงียบมองทะเลเป็นนานราวกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของอิดปูลไร้ชีวิตปฏิกิริยาของลานดาวทำให้มาวันทาเริ่มจับทางถูกเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่พี่เอ็นดูรักพิสวัสร ไม่เคยมีใครอยู่ในใจเหมือนอย่างที่เธอเป็นและด้วยความรู้สึกทุกๆชนิดรวมกันก็ทําให้โลกเหมือนมีกลิ่นหอมหวานแปลกไปพี่ไม่โทษตัวเองที่รู้สึกกับเธอแบบนี้ตราบใดที่ใจหนึ่งยังเห็นเธอเป็นน้องอยู่จริงๆบอกมาคําเดียวพี่ทําให้เธอได้ทุกอย่างถ้าอยู่ในขอบเขตกติกาอันควรแต่เธอละ่ะคิดดีๆพี่แค่เป็นของเล่นแปลกใหม่ที่เธอถูกใจกว่าของเล่นชิ้นอื่นเธอปักใจเรียกความรู้สึกที่มีต่อพี่ว่าเป็นความรัก แล้วความรักของเธอทําอะไรให้พี่บ้างมีการให้อภัยสักครั้งหรือเปล่าเวลาพี่พูดผิดใส่ใจใยดีสักนิดไหมตอนพี่วิงวอนร้องขออะไรสักอย่างถ้าเปรียบพี่เป็นของเล่นเธอก็ไม่ดูดำดูดีหรอกว่าตัวเองเล่นพังไปถึงไหนแล้วลานดาวก้มหน้านิดนิดกระแสเสียงทอดอ่อนลงพี่เอิญจะอาจกําลังคิดผิดและทําผิดแต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่การเรียกร้องอะไรอีกแล้วจริงจรจะเจ็บที่ถูกพี่เอิญไล่จะทําทุกอย่างพังหมด จะให้กลับไปแกล้งตีหน้าตายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงยากจะอายทุกคนแล้วก็ทรมานเกินกว่าจะบรรยายให้พี่เอินเข้าใจหลายวันมานี้จะคิดฆ่าตัวตายเกือบร้อยหนอยากเป็นศพที่นอนในสภาพสวยๆรอพี่เอิญมาดูอยากให้พี่เอินสงสารอยากเห็นพี่เอินร้องไห้คิดถึงจ่าตลอดไปไม่รู้ว่าทําไมแครนพี่เอิญขนาดนั้นรู้แต่ว่าจะใช้ชีวิตตัวเองซื้อความฝังใจจดจําจากพี่เอิญได้จริงๆ มาวันทาขบริมฝีปากสะกดก้อนสะอื่นที่แล่นมาจุกคอหอยทําไมคําว่าให้ถึงไม่อยู่ในนิยามรักของเธอบ้างฟังมามีแต่จะเอาจะเอาแม้ค่าตัวตายก็เพื่อฝังตัวเองไว้ในความทรงจําของคนอื่นพี่เอิญยอมรับเถอความรักไม่ใช่แค่การเสียสละหรือให้ไปหมดแต่บางครั้งมันหมายถึงการชิงเอาทุกสิ่งทุกอย่างในคนรักมาเป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดและความทรงจําถ้าจะอยู่ต่อพอห่างกันปีเดียวพี่เอิญก็ลืมจะแล้ว แต่ถ้าจะตายเร็วพี่เอิญจะมีจ้าอยู่ทุกลมหายใจจนวันสุดท้ายต่อให้กําลังระเริงรักกับใครก็ตามโง่จริงๆเลยจ้าจ้าบูชาความรักและเชื่อว่ารักถึงที่สุดคือยอมโง่ได้ทุกอย่างเพิ่งนึกออกเร็วๆนี้แหละว่าทาไมเจอหน้าพี่เอิญวันแรกถึงรู้สึกลึกซึง้งทั้งหวานทั้งแฝงความอะไรรุนแรงจนหน่าแปลกใจขนาดนั้นเราอาจตายจากกันด้วยความอะไรมาก่อนพอพบกันเลยเหมือนมีเสียงเรียกเสียงโหยหา และเสียงกระซิบว่าวันหนึ่งคงต้องจากกันอีกแค่นึกว่าต้องมีวันพรากจากก็อยากร้องไห้แล้วแต่ดีเหมือนกันจากพรากในวัยสาวความรักยังไม่โรยรายังมีไฟรุนแรงคราวหน้าเจอกันใหม่จะได้ย้อนฉากเริ่มดีๆซึ้งใจแบบชาตินี้อีกเธอลงติดอยู่ในบาปทางความคิดแล้วหน้าที่หนึ่งของบาปกรรมก็ทําจิตให้อยู่ในสภาพไม่รู้ไปทุกอย่างถามตัวเองสิถามผ่านม่านหมอกความไม่รู้ที่หนาทึบของมนุษย์เราแล้วได้คําตอบอะไรบ้าง ตายจากการคราวนี้เมื่อไหร่เราจะเจอกันอีกร้ายกว่านั้นคือตายแล้วเธอต้องไปอยู่ที่ไหนหลงติดอยู่ในป่ายังหาทางออกลําบากยากเย็นแต่ถ้าพลาดพลดัดหล่นลงไปติดพบติดภูมิอบายละ่ะกี่กับกี่กันถึงจะหลุดพ้นขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกเธอรู้หรือเปล่าในหัวมีแต่คิดเจอกับพี่อีกแค่นั้นเองล้านดาวกระพริบตาสีหน้าเรียบเฉยอย่างไม่อนาทรร้อนใจนอกจากเชื่อจะให้จาทําอะไรได้ดีกว่านั้น ชาติหน้ามีหรือเปล่าจ๊ะยังไม่รู้เลยพี่เอินทําบุญให้ผ่องแพ้วขนาดไหนหรือมีใจตกต่ําขนาดนี้จ๊ะก็ไม่ใช่ผู้วิเศษไปอย่างรู้ได้อยู่ดีทําไมจ๊ะต้องไปแคร์ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ไม่ใช่นางจ๊าตัวนี้แล้วถือว่าตัวอะไรในอนาคตมันสวยไปก็แล้วกันอันที่จริงก็ดีออกจ๊ะอาจตกต่ําลงไม่สวยรวยเก่งเป็นอีนางครอบจั ก, กรวาลเหมือนปัจจุบันอาจทําให้สันดานดีขึ้นพอขี้เร่เซเซั ง, งงั่ ง, งโง่จนเข็ดก็อาจเกิดแรงฮึด ที่จะขยันทำความดีใส่ตัวเอาชั่วทิ้งน้ำเสียบ้างหมดสง่าราศีก็หมดพยศหมดสิทธิ์เอาแต่ใจถ้าจ้าเป็นจ้าอย่างในปัจจุบันเลือดเลวคงไหลวนไปก็เวียนมาหาที่สิ้นสุดไม่เจอหรอกสู้ให้จ้าพลผลหน้าพี่เอิญไปลำบากตามยถากรรมดีกว่าเธอกำลังอวดดีแบบเดียวกับคนบนหอคอยงาช้างไม่เคยย่างกลายไปเจอแม้แต่ฝุ่นทรายแต่สาคัญตัวว่าเก่งพอจะสมบุกสมบันกับป่าดงดิบได้ทุกท่า พูดตอนนี้ขณะที่มีหนังมนุษย์นุ่มนิ่มหอ่อหุ้มแห้งสะอาดสบายตัวก็ท้าทายได้ทุกอย่างนะซีถ้าต้องมีเนื้อตัวเป็นหนามไหนเล็บแหลมยาวเป็นคืบจะยังทน o n ไหวอีกไหมพรุ่งนี้ลองง่ายๆแค่ไปอยู่ในคุกร่วมกับนักโทษหญิงดูสักวันก็พอโลกนี้มีนรกขุมย่อยให้ลองก่อนตายมากมายไก่กองลองไปลิ้มสักขุมก่อนพูดว่าไม่กลัวใะยังไม่มีความผิดพอจะติดคุกนี่พี่เอิญคนเรานี่ชอบแช่งชอบลงโทษกันซะจริงๆ พอจะดื้อกับพี่เอิญพี่เอิญก็ขู่เรื่องไปอาบายมั่งสมมุติจะส่งไปอยู่ในคุกมั่งตัวเองคุยได้ถนัดหรือเปล่าว่าเห็นจริงมาแล้วขู่กันด้วยเรื่องที่ไม่รู้จริงถือว่าผิดหลักการเกลี้ยกล่อมคนคิดสั้นนะคะถ้าอยากให้จ่ากลับใจพี่เอิญควรหาจุดอ่อนของจ่าให้เจอจุดที่สะกิดแล้วเกิดความสำนึกผิดจุดที่ฟังแล้วเกิดจินตนาการอยากกัดฟันมีชีวิตอยู่ทนดิ้นกระเดว๋วกระเด๋วต่อจะช่วยคิดอุบายเอาไหม ตอนนี้นะถ้าพี่เอินอาศัยจิตวิทยาโกหกพกลมหน่อยหลอกว่ากลับกรุงเทพจะรีบอยากกับพี่ออกโดยเร็วจ้าคงหูผึ่งกลับมาฝันลมลมแร ง, งๆใหม่หลังจากเลิกฝันไปแล้วพอจ้าหลงเชื่อยอมกลับกรุงเทพด้วยพี่เอิญค่อยซื้อเวลาพูดจาผัดผ่อนไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจ้าจะเบื่อรอไปเองแพ้สาวมือเท้าอ่อนเปลี่ยการพยายามเอาชนะความโง่หลงของคนฉลาดพูดเป็นเรื่องหน้าเหนื่อยแทบดาวดิน้น ลานดาวทาให้หลอนตระหนักว่าการประทะคารมระหว่างคนคิดเป็นเหมือนๆกันไม่อาจนําไปสู่การชี้ถูกชี้ผิดฝ่ายใดเป็นบัณฑิตฝ่ายใดเป็นพานพูดไปพูดมาก็เสมอกันอยู่นั่นจ้กลับบ้านกับพี่นะหมดท่าเข้าพี่สาวก็ขอดือด้อผู้เป็นน้องได้ยินแล้วหัวเราะแหลมเยาะเยะ้ยให้จ้าอยู่มองทะเลในช่วงสุดท้ายเถอะพี่เอิญเพื่อว่าจบฉากชีวิตมนุษย์จะได้เป็นนกนางนวลที่มีความสุขกับมุมมองโลกสูงขึ้น เอากุญแจรถไปเลยจะยกให้แล้วอีกสักอาทิตย์ค่อยแวะกลับมาดูว่ายายเบื้องนี่นอนเป็นลมตายท่าไหนมาวันทาสุดจทานทนกับท้อยคํายืนกลางของอีกฝ่ายอับจนปัญญากละทั้งเข่าอ่อนปล่อยร่างให้รูสุดลงนั่งแปะกับพื้นปิดหน้าร้องไห้โฮพี่ก็รักจ๊ะอยากอยู่กับจ๊ะแต่เธอจะให้พี่ทํายังไงจะให้พี่เลือกรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตเพราะทําร้ายสามีที่ซื่อสัตย์หรือเพราะไม่ยอมเอาเบีย่ดมาประเคนเธอจนเธอต้องฆ่าตัวตาย ลานดาวย่นคิ้วเล็กน้อยจุปากจักหนึ่งปลายตาแลอีกฝ่ายด้วยความรำคาญจะรู้สึกผิดทําไมเล่าไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วได้ยินไหมไม่เอาแล้วใบหยาเน่ะคนหน้าโง่มันรนหาเรื่องอยากฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็เจอดีเองแหละทําไมต้องเดือดร้อนนักหนาะในเมื่อพี่เอิญไม่ได้เป็นคนยุสักหน่อยมาวันทาหมดคําพูดเอาแต่สะอื้นฮักน้ําตาพรัง่งพรูเหมือนจะขาดใจลานดาวสายหน้าระอาก่อนลุกไปแกะมือที่ปิดบังใบหน้าอันนองน้ํา แล้วเกลี่ยเช็ดให้ด้วยปลายนิ้วโอ้นิ่งสนะคนสวยพูดเหมือนปลอบเด็กพลางใช้สองมือประคองแก้มฝ่ายนั้นบีบให้ยู่ปากจูเหมือนปลาบู่เฮ้อใครต้องโอกใครกันแน่เนี่ยเอาเถอะพี่เอินเดี๋ยวจ้าหิวมากๆอาจลืมความตั้งใจเดิมโทรสั่งข้าวขึ้นมากินเองก็ได้บางคนเขาอดเก่งๆยังทําสถิติไว้เป็นเดือนๆโดยไม่มีอะไรตกถึงท้องนี่จ้าแค่เพิ่งกี่วันกันอย่าตีตนไปก่อนไข้เลยนาจะบอกความลับให้ จะเพิ่งเลิกกินข้าวจริงๆแค่สามวันแล้วก็ยังกินน้าจากตู้เย็นในห้องนอนวันละสองแก้วเพราะฉะนั้นน่าจะยังอยู่ให้เปลี่ยนใจได้อีกนานมาวันทาผลักมือลานดาวออกจากหน้าตนขมสะอื้นยังไม่ละความเพียรในการอ้อนวอนโดยเฉพาะเมื่อเห็นในตาลานดาวเริ่มทอประกายห่วงใยทานข้าวกันเถอดจ๊ะขอให้พี่สบายใจขึ้นบ้างมื้อเดียวก็ยังดีจอมรันเลิกคิวข้างหนึ่งยิ้มมุมปากหน้าตาเจ้าเล่เอายี้ถ้าพี่เอิญจุบเข้าศอกตัวเองได้หนึ่งที ซ้ายหรือขวาก็ตามใจจ้าจะยอมกินหนึ่งมือ้อมาวันทามองหน้าลานดาวกระพริบตาทีหนึ่งขยับแขนซ้ายเล็กน้อยคล้ายจะยกขึ้นลองแต่แล้วหยุดเฉยเพราะคำนวณในใจก็รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเธออยากเห็นพี่เป็นตัวตลกพี่ก็จะทำตลกให้ดูแต่ต้องกินข้าวนะโอ้ยช่างตือจริงวุย้ยลานดาวร้องดังๆแล้วกลับลังหันทิ้งกระจกประตูเคียงข้างมาวันทา ไหลเกยไหลระบายลมหายใจยาวทอดตามองไกลยอย่างไร้จุดหมายก่อนตายชมวิวทิวทัศน์ที่ชวนให้นึกถึงสวรรค์ก็อาจได้ไปสวรรค์ น, นื้อพี่เอิญใจผูกพันกับความงามแบบไหนน่าจะไปเกิดในความงามแบบนั้นใครบอกแพทย์สาวหันมามองตรงสิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่ทางแต่จิตต่างหากที่ใช่ตายสว่างไปสว่างและมีแต่บุญเท่านั้นตกแต่งจิตให้สว่างได้เธอคิดค่าตัวตายหนีปัญหาอย่างนี้ ต่อให้ก่อนขาดใจใครเนรมิตอุโมงสวรร์ให้ดูจิตก็ไม่มีกำลังพอจะแล่นตามไปได้เลยทำไมจิตจะมืดตื่นักหรือไงแค่ทำไม่ถูกใจพี่เอิญก็โดนสาบแชง่งต่างๆนาน า, นานอ่ะไหนบอกสิค่าตัวตายมันบาปอะไรนักหนาจากค่าตัวเองไม่ได้ฆ่าใครไม่แม้แต่เบียดเบียนชาวบ้านให้เดือดร้อนสักปลายเล็บเธอเข้าใจคาว่าเบียดเบียนแค่ไหนเมื่อกี้สารภาพออกมาเองว่า อยากให้พี่บาดเจ็บทางใจทนทุกทรมานไปจนชั่วชีวิตกับความตายของเธอจิตขณะคิดกับหลังคิดอย่างนี้มืดหรือสว่างเจอย้อนเช่นนั้นล้านดาวก็อึ้งไปพักหนึ่งอย่างจำใจยอมรับกรรมนั้นเพียงแค่มีเจตนาแม่ไม่ต้องบอกว่าฉันจะทําให้เธอเจ็บใจขอเพียงตระหนักรู้ว่าทําแล้วจะมีผู้เจ็บใจก็จัดเป็นมโนกรรมจัดเป็นความคิดเบียดเบียนไปเรียบร้อยก่อเงาบาปติดตัวไว้แล้วจริงด้วยเนอะเลิกคิ้วแล้วยักไหล่ งั้นถอนความคิดก็ได้พี่เอิญอย่าเสียใจกับน้องไม่รักดีอย่างจ้าเลยนะคะเดี๋ยวจ้ากใกล้หมดแรงเฮือกสุดท้ายจะคิดขอให้พี่เอิญเป็นสุขถ้าเป็นนางฟ้าจะมาเข้าฝันแล้วยิ้มให้พี่เอินสวยๆจะได้หมดห่วงหมดใ ย, ยไปทีต่อให้เลิกคิดเบียดเบียนพี่ก็ถือว่าทำลายทรัพย์สินคือเลือดเนื้อเชื้อไขที่พ่อแม่เธอสร้างขึ้นจ้าเคยเห็นเด็กตั้งแต่ยังแบบอกหรือเปล่ารู้ไหมต้องประครับประคองไม่คลาดสายตาขนาดไหนกว่าจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้โตขึ้นมาทีละวันทีละคืน ถ้ารวมเอาความรักความห่วงใยและการเสียเวลาดูแลของพ่อแม่ตลอด20ปีมากองตรงหน้าเธอจะเห็นว่าสิทธิ์การครอบครองกายนี้ไม่ใช่ของเธอคนเดียวเธอไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ป้อนอาหารให้มันเติบโตไม่ได้ส่งเสียให้ตัวเองเล่าเรียนสักบาทถ้ายังขาดสํานึกคิดอ่านตอบแทนก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยควรรักษาเนื้อรักษาตัวไว้เอาใจพ่อแม่บ้างก็ยังดีพี่เอิญน่าไปแต่งสุภาศิตสอนเด็กแบบสุนทรพูนะคะนี่ชมจริงๆเปล่าประชด จ้าฟังแล้วน้ำตาจะไหลต่อไปเด็กไทยจะได้ไม่เป็นลูกอกตัญยูอย่างจ้าซุ้มเสียงเรื้อรื่อเฉยของลานดาวบอกชัดว่าไร้ความยินยนไยดีโลกอย่างสิ้นเชิงแต่มาวันทาก็ยังกล่าวสืบต่อด้วยความอดทนจากหัวใจต่อให้เธอไม่คิดทำให้พี่เจ็บปวดและสมมุติว่าเธอไม่มีพ่อแม่มีแต่ตัวคนเดียวไรญาติการฆ่าตัวตายก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองอยู่ดีชีวิตนี้ไม่ใช่แค่อาหารหรอกนะ ที่เลี้ยงเราไว้ยังมีกา ร, รเป็นส่วนสําคัญในการพยุงรักษารูปร่างหน้าตารวมทั้งก่อเรื่องราวต่างๆอีกด้วยถ้าค่าตัวตายก็เท่ากับทําลายทั้งกรรมที่ให้ความคุม้มคลองและหนีกรรมที่กําลังตามเล่นงานล้างผลาญเราอยู่ต้องไปใช้นี่ในสภาพที่อาจไม่มีสมองมนุษย์ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาสมองมนุษย์หนะตัวดีเลยพี่เอิญบงการสารโน้นสารนี่หลังต่อให้จิตใจสงบอยู่ดีๆ เดี๋ยวมันก็อยู่ให้ลุกขึ้นไปทำบาปเพิ่มใครรีบตายอาจโชคดีไม่ต้องสั่งสมอาญามากกว่าเดิมก็ได้นะพี่เอิญเห็นใครใช้สมองผ่อนเรื่องหนักให้เป็นเบาบ้างมีแต่ทำเบาให้เป็นหนักหรือทำหนักให้ยิ่งสาหัสขึ้นกว่าเดิมกันทั้งนั้นมาวันทาเริ่มคลานกับเด็กเหลือขอผู้ถนัดด้านเถียงคําไม่ตกฟากจึงยุติการเจรจาลงซึ่งเมื่อหล่อนเงียบลันดาวก็เงียบตามอย่างมากแค่ฮัมเพลงเรื่อยเปื่อยเพียงแผ่วพอเป็นที่รู้ว่ายังอยู่เคียงกัน แต่สินาทีให้หลังก็เงียบสนิทศีรษะที่อิงซบไหลหนักขึ้นเล็กน้อยแสดงว่าเจ้าตัวเริ่มหลับปุ๋ยแพทสาวจึงเหมือนอยู่ตัวคนเดียวกับความคิดวกวนหาทางออกตามลําพังหล่อนทอดตามองสุดขอบฟ้านาทีแล้วนาทีเล่าเฝ้าอธิษฐานอย่าให้เรื่องลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมอันใดเลยนึกย้อนไปในครั้งที่ลานดาวพยายามทําดีเอาใจหล่อนสารพัดแล้วมาหยุดที่คืนวิบัติเมื่อหล่อนออกปากไล่เหมือนสิ้นเยื่อใหญ่ต่อกันก็ยิ่งเกิดความเศร้าส้อยสํานึกผิด หากย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้หล่อนจะใจเย็นและหาทางเลี่ยงสถานการณ์ลำบากให้ดีกว่านั้นแล้วนี้ถ้าหากลานดาวตายไปจริงๆหล่อนจะต้องคลั่มคลวนเสียดายอะไรรักและอยากย้อนกลับมาทุ่มเทกำลังความคิดยื้อชีวิตน้องสาวสักกีทวีคูลเกือบครึ่งชั่วโมงที่มาวันทาปล่อยให้น้องอาศัยไหล่เป็นหมอนหนุนนอนอันแสนสบายลานดาวก็ตื่นขึ้นด้วยอาการกระตุกผวางวยเงียอึดใจก่อนหันมาพึมพำฝันถึงพี่เอิญอีกแล้วยกมือเสยผมและบิดขี้เกียจ คราวนี้ดีแฮะตื่นมาก็เจอหน้าเลยเออตอนกำลังฝันก็พิงหลายเจ้าตัวอยู่ในความเป็นจริงด้วยฝันว่าไงฝันว่านอนหนุนตักพี่เอิญแต่งกรอนเอ้ยแต่งโครงสีสุภาพแปลกดีฝันแบบนี้เป็นหุ่นที่สามหรือสี่แล้วมาวันทามองหน้าน้องยิ้มยิ้มจำได้หรือเปล่าว่าเขียนยังไงบ้างลานดาวกระพริบตาปลิบ ป, ป, ปิสติเริ่มตื่นเต็มพอจาเป็นเขาตอนฝันนี่สมองเราทางานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คิดได้เร็วมากเลย ผูกคำเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องเหมือนน้าไหลชักอยากอ่านโครงสี่ที่เธอแต่งในฝันแล้วสีได้จ้าจะลองทบทวนดีๆถึงแหว่งวินมัง่งก็อาจคิดเรียบเรียงขึ้นใหม่เดี๋ยวขอไปเอากระดาษปากกาก่อนพเพอิญมีติดกระเป๋าตังค์อยู่ขยับจะลุกแต่ถูกกดไหลไหว้เดี๋ยวพี่ไปเอาให้เองมาวันทาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าเพราะกําลังวังช่า ย, ยังเต็มแน่นต่างจากลานดาวที่เชื่องช้าลงเรื่อยๆเพราะถอยแรงลงทุกทีลานดาวไม่ปฏิเสธ เนื่องจากปกติชอบที่มีคนทําอะไรให้อยู่แล้วพี่สาวกลับออกมาพร้อมกระเป๋าสตางค์ทั้งใบนั่งลงที่เดิมและยื่นถึงมือขอบคุณค่ะรับมาและเปิดหยิบสมุดฉีกกับปากาหล่อนเป็นคนชอบแต่งเพลงแต่งร้อยกลองชนิดต่างๆประสาสนศิลปินผู้มุ่งหมายเอาดีจากงานสร้างสรรค์จึงพกสมุดไว้จดไอเดียระหว่างวันขณะอยู่นอกบ้านเสมอขอนุนตักพี่เอิญด้วยนะให้เหมือนในฝันขอแล้วก็จับท่อนขามาวนทายืดออกวางแทนหมอน เห็นร่างนอนลงเหยียดยกเท้าพาดเก้าอี้เปิดสมุดฉีกจรดปากกาด้วยความรู้สึกประหลาดเยี่ยงฝันที่เป็นจริงค่อยๆเขียนทุกคำอย่างบันจงเสียงลือว่ารักแท้หอมหวานหรือว่าแสนทรมานหากไร้ใจหายป่านนี้นานยืนเดียวเดียวไดดึกดื่นงนเงียบใบอยู่เฝ้าเดือนดาวหวานรักใช่หวานพืชหวังผลเสี่ยงหวานซื้อใจคนสุดล่าใช่โจรหมันหลอกปล้นใจแห่งใครนา แสนเหนื่อยเพียงขอค่าหนึ่งรักตราตรึงวังเวงวาดดอกรักลมแรงวันหนึ่งคล้ายถูกแกล้งสบรักแต่อาจได้ชื่อแย่งคู่แห่งใครมานางบาปหน้าด้านนักผิดนี้ควรตายตั้งจิตบุญริษส่งชาติหน้าขอห่วงแห่งสัตยาค่านี้สั่งใจให้สเสนหหาตาตื่นเพียงเธอตามเกิดไปทุกที่อยู่คู่ทำบุญ สี่บทนั้นใช้พื้นที่2หน้ามาวันทาไล่สายตาอ่านตามทุกคำแม้ลานดาวเขียนค่อนข้างเชื่องช้าและมีหยุดบ้างแต่น้ำคำก็รินไหลออกมาเรื่อยๆจากปลายปากกาเรียกน้ำตาให้รินไหลออกมาจากดวงเนตรที่พยายามกระพริบสกัดแต่กลั้นไม่อยู่มาวันทาใช้ฝ่ามือรูปศีรษะที่พาดหนุนบนตักตนอย่างทนุถนอมเลือกที่จะเงียบแทนคำชมและการวิจารณ์ใดเพื่อหลีกเลี่ยงมีให้ลานดาวทราบว่าตอนกำลังแอบเซอื่นแต่พอลานดาวลดกระดาษปากกา เหลือบตาชอนขึ้นมองหน้าความทุกอย่างก็เปิดเผยเพราะในตาของหล่อนกำลังช้ำและรื้นน้ำเห็นเช่นนั้นลานดาวก็ดึงตัวขึ้นนั่งซ่อนหน้าเกือบร้องไห้ตามแต่กัดริมฝีปากสกัดกั้นความอ่อนแอไว้ทันหายใจลึกๆทีหนึ่งก่อนทำเสียงขลึมจานนี่ท่าทางเป็นตัววิบัติจริงๆก่อนคบกันพี่เอิญดูมีราศีสง่าหน้าอบอุ่นแล้วก็ยิ้มใส่ทั้งวันพอจั๊กเข้ามาทีเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นคนช่างตื้ออมทุกข์ แถมขี้ยาอยู่เรื่อยสรุปแล้วจะมีโทษสมควรตายพี่เอินอย่ามาร้องไห้ให้คนอย่างจ๊ะเลยมาวันทาทําตาปล่อยยกมือแตะบ่าน้องใช้ความเก่งของเธออย่างคุ้มค่าเธอจ๊ะทําให้โลกมีความสุขอย่าใช้ความเก่งอย่างไร้ความหมายแค่เห็นเป็นเรื่องสนุกที่ทําให้คนรักของเธอตรอมใจได้ลานดาวคอแข็งเหลียวมาจ้องฉงนอะไรใครสนุกตั้งแต่เมื่อไรมาวันทาใช้นิ้วกรีดน้าจากหางตา จะให้พี่กลับเท้าเธอก็ได้นะพี่เหนื่อยเต็มทีไม่เหลือแรงอ้อนวอนเธออีกแล้วหยุดเอาแต่ใจกลับกรุงเทพกันล้านดาวขมวดคิ้วยน่นท่าทางมาวันทาคงมีลูกตื้อใหม่ๆหทยอยมาได้ทั้งวันทั้งคืนชักกลัวใจและเริ่มเบื่อการเจราจาวกวุนเป็นพายเรือในอ่างหนักเข้าเลยพูดส่งเดทชักจะใจอ่อนแล้วละ่ะขอเข้าไปหลับสักตื่นแล้วจะคิดอีกทีนะมาวันทายิ้มสดชื่นอย่างมีความหวังเขาย่าแขนน้องสาวด้วยความยินดีสั ญ, ญญานะ คนมีสิทธิ์ตัดสินใจเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนเออเยียบเย็นก็ได้ตวัดหางตาคมปราบขึ้นเลงแลปุ๋ยเมฆขาวแนวนิ่งแต่กลับถึงบ้านภายในเจดวันถ้าพี่เอิญยังไม่อยากกับพี่อ๋องจะจะหายไปโดยไม่มีการร่ำลากันอีกแพ้สาวหน้าซีดเผือดมือตกแขนตกด้วยความวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมความแข็งขืนของลานดาวเปากำแพงคุกที่หล่อนไม่มีสิทธิ์ปล่ยปีนหนีได้ผลจากความว้างวงที่สะท้อนด้วยแววถดทอ กล่เป็นความรู้สึกคุ้มแค้นที่สองด้วยสายตาขุ่นขึ้งอย่างไม่เคยมีให้ใครเท่าพี่อาจกำลังถูกอำนาจของเธอครอบงำหลงรักหลงห่วงยายเธออย่างสูญเปล่าพรุ่งนี้ถ้าหลุดจากอำนาจร้ายๆนี่ได้คงตาสว่างเห็นว่าไม่ควรเสียเวลากับคนอย่างเธอเลยแม้แต่นิดเดียวลานดาวทำหน้างงแ้งขยับปากพะ ง, งาบพะ ง, งาบอยู่ครู่ก่อนเออเอออะไรเนี่ยตูไปนอนดีกว่ายัวเสร็จก็ลุกขึ้นตั้งท่าจะพระจากที่นั่น แต่อาจเร็วไปนิดหนึ่งสำหรับคนอดอาหารมาหลายวันจึงหน้ามืดโผเพลเล็กน้อยแล้วพยายามทรงตัวโดยใช้แขนยันขอบประตูยืนนิ่งเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะมาวันทารีบลุกตามประคองลานดาวพึมพำตอบสงสัยธรรมชาติลงโทษยี่ยวนคนที่รักและห่วงใยเรามากไปหน่อยช่างเถอะเดี๋ยวคงล้มลงไปนอนกองแล้วไม่ตื่นอีกประคองกันเข้ามาข้างในมาวันทาปล่อยให้ลานดาวเอร่างนอนบนเตียงนุ่ม ซึ่งพอหัวถึงหมอนก็เข้าสู่นิทรารมอย่างรวดเร็วมีหล่อ น, นั่งมองด้วยสายตาอาทรของพี่สาวเนิ่นนานานับชั่วโมง